ต้นสาธารณพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาพบกัมมันดาท่านพุทนบริษัทในเรื่องของในเรื่องของหนังสือประวัติของพ่อปานตามปกติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสําหรับในหนังสือเรื่องนี้ก็น่ากลัะจกกัญชาหน่อยเมื่อวันก่อนมาพูดกันนึกว่าตอนตายไปแล้ว แล้วก็กลับมาฟื้นตอนนี้ก็มานึกถึงท่านลุงเพราะว่ามีบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกันควรจะนับว่าหลายร้อยท่านด้วยกันอ่านเศียรแล้วมาถามว่าท่านลุงองคนั้นเป็นใครแล้วก็อยากจะทราบประวัติความเป็นมา ส่วนมากคนแก่ๆหรือว่าท่านผู้เฒ่าจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาเด็กที่เกิดถ้าเกิดมาจากไหนตามเขาลือกันว่าถ้ามาจากอัมบายภูมิก็มักแม่เวลาแพ้ท้องก็ไม่จะชอบกินของสดของขาวของลาบของยำที่สดๆขาวๆ ถ้าหากว่ามาจากสวรรค์ก็มักจะชอบกินของหวานแลวก็ถ้ามาจากพรหมโลกก็มักจะชอบกินอะไรเนาะาผลไม้ต่อันหนึ่งที่กล่าวว่าพวกพรหมที่จะลงมาเกิดมักจะชอบกินดินเผาอันนี้เป็นความรู้สึกของบรรดา ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ตันเช้นเป็นผู้เท่าแล้วท่านก็นมาถามว่าเวลาที่ท่านเดกคลอดท่านเกิดแม่แพะท้องว่าอย่างไรความจริงตอนนั้นตอนที่เข้ามาอยู่ในท้องแม่เนี่ยก็ไม่รู้ไม่กันว่าท่านแม่ท่านแพะท้องท่านอยากกินอะไร เป็นน um um, ั feet, Protocol, ้นว่ามันในเมื่อบรรดาญาติโยมผู้ใหญ่อยากจะทราบก็ขอเล่าตามที่ท่านแม่โดยท่านญาติโดยท่านยายด้วยและก็หลายหลายท่านที่เป็นพี่ป้านาอาท่านเล่าให้ฟังแต่ถ้าท่านเวลาคุยให้ฟังก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนท่านกล่าวทังว่าเวลาที่อาตมาจะเกิด ความจริงเขาได้โปรดทราบอาตมาไม่ใช่เป็นลูกมหาเศรษฐีและก็ไม่ใช่เป็นลูกเขาก็หาบ ด, ดีไม่ใช่เป็นลูกเขาุณนางเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแลหลังจากขอเล่าเลยว่าเวลาที่ก่อนจะมาเกิดท่านแม่ก็เคยเล่าให้ฟังหมกัน วันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านสมัยนั้นเห็นแ่เป็นยุประมาณเจ็ดแปดปีท่านก็นั่งดูไอ้จุดดำาๆตามหน้าบ้างตามตัวบ้างที่เขาเรียกกันว่าขี้มะแงวันตอนเด็กๆดูเหมือนว่าจะอ้วนๆสักหน่อยแล้วก็ดูลีลาไม่ค่อยจเหมือนใครนักเป็นน้องว่าพี่น้องทั้งหมดมีดีกันห้าคน ลีลาความรู้สึกจริงๆไม่ค่อยเหมือนกันไปคนละทางสองทางสาหรับท่านพี่ชายใหญ่นี่ท่านเป็นวัคคุทโรปจริงๆปากไม่เคยบน่นไม่เคยว่าบรรดา น, น้องๆท่านหลายไม่เคยถูกดุกถ้าต้องการอะไรท่านก็หาให้รู้สึกว่าท่านใจดีพี่ที่เราลงมาเป็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเก่งในการงานเหมือนกัน คล่องตัวทุกอย่างแต่ว่าแบบตัวก็เก่งต่ากเขาเก่งแล้วรองมาตมาก็เป็นคนที่สามคือคนกลางรู้สึกว่าจะเก่งเป็นกรณีวิเศษคือสนน้องชายคนก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านมีรมณ์ไปแปลกไปอันหนึ่งเวลานี้ก็เป็นพระเหมือนกันเมีอารมณ์แปลกไปสายหนึ่งไม่ค่อยจะเหมือนใครนัก รือกำลังใจตนเองเป็นสำคัญแต่ว่าก็ไม่ได้โกงใครสำหรับน้องเล็กอีกคนหนึ่งเป็นหญิง <c oughs> คนนี้เธอตายตั้งแต่ตั้งแต่อายุสี่ปีรู้สึกว่าเกิดมาแล้วติดอัตมามากขณะเมื่อเธอพอคลานได้เธอก็ไม่นอนกับแม่จะต้องมานอนกับพี่คืออัตมาไปไหนก็ต้องอุ้มไป เป็นนั้นว่านอกจากหิวเธอจึงจะไปหาแม่หรือว่าถ้าเวลาเธอต้องการกินข้าวเธอก็ไม่หาแม่เป็นหน้าที่เขาแต่มาเองเป็นนั้นว่านิสัยไปคนละทางสองทางมาวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านแม่ท่านมองดูหน้ามองดูตัวก็ชี้ไปตามจุดดำๆที่เขาเรียกเรนว่าขี้มะงวันไม่ใช่ไฟ ตามตัวท่านอะไรบอกว่าเมื่อเวลาแม่แพ้ท้อง <c oughs> แด้กก่อนหน้านั้นหน่อยก่อนที่จะมาเกิดหน่อยยังไม่ทันแพ้ท้องท่านบอกว่าคืนหนึ่งท่านบูชาพระท่านบูชาพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตามแบบฉบับของท่านเรี่ว่าที่บ้านนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่ปานบรานบาลโคเพรสเซนาจังหวัดนครศรีธรรมา บูชาพระสิทธิกันนอนเวลา น, นอนท่านก็ภาวนาว่าพุทโธตามปกติและในที่สุดท่านก็หลับไปในเมื่อเวลาใกล้รุ่งท่านฝันฝันว่ามีพระพุทธ ร, รูปทองคำองค์หนึ่งในหนังสือนี้จะเล่าไว้ตอนไหนบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่าตมาไม่ได้อ่านนะ ทิมให้มันได้ญาติโยมอ่านแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านตอนนี้มาพูดถึงท่า น, านลุงที่เป็นพระก็เลยเอาเรื่องนี้มาประสานเสียเลยท่านบอกว่าวันหนึ่งเห็นพระพุทธรูปทองคำลอยมานาอากาศผิวสวยมากเหลืองอาดามไปทั้งองค์แล้วนอกจากนั้นก็มีมีแก้ว มีเพชนประดับเต็มตัวไปหมดแพ ร, รว์แพรวลอยลงมาแล้วเข้าบนทางจั่วด้านทิศตวันท่านด้านทิศเหนือแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาที่ตักท่านท่านกระลุกขึ้นประคองไว้กอดพระองค์นั้นไว้จริงกว่าท่านตื่นเมื่อตื่นขึ้นแล้วําหาพระไม่เห็นก็เล็กโผล่เสดาย เสียนได้พระแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นมาเวลาที่เจริญกรรมฐานจิตใจก็จับอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นและท่านก็เห็นสวยสดงดงามของท่านตามปกติก็เลยถือเป็นนิมิตกรรมฐานแต่ท้ว่าพอท่านลุงที่เป็นพระท่านลุงที่เป็นพระเนี่เป็นลุงจริงๆ เพตามปกติแต่กุลข้าตามาเป็นพระนี่ก็มีทุกแบบคือที่เป็นพระก็มีเป็นหมอก็มีรับราชการงานเมืองก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวไร่าชาวนาก็มีแล้วก็เป็นนักกีฬาก็มีแถมเป็นนักเกรงก็มีได่ได้ ว, ว่าคนหลายคนก็ยัมีทุกอย่าง เปนน็นว่าเมื่อท่านลุงมาที่บ้านท่านยินท่านจำบรรษาอยู่ที่วัดบ้านองโขออำเภอเสนาจังหวัดปนคร์ศรี ย, ยุทธยาในขณะที่จะมาเกิดท่านพ่อกับท่านแม่กําลังทํางานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็สําหรับบ้านพักแทนที่จะพักในเมืองจะพักในอำเภอ ท่านพอ่อก็มาจัดหาที่ที่หนึ่งคือเป็นที่ชนบทดูสกาวสงบ ส, ง, ง, บส ง, งัดดีไม่วุ่นวายดังนั้นน่าะมาเวลาเกิดจึงกลายเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาหน่อยก็มาเป็นคนอุทยาตอนจะเป็นหนุม่มก็มาเป็นหนุม่มที่จังหวัดธนบุรี ป็นเลยว่าไม่รู้เป็นคนเมืองไหนเวลานี้ที่กำลังพูดอยู่นี่ไม่ใช่เวลาทั้งพูดก็ดีเขียนนังสีก็ดีก็มาอยู่ที่จังหวัดอุทยธานีแต่ว่าหลายหลายเมืองที่อยู่มาก็มีเมืองที่แปลกที่สุดจะเมืองเดียวคือเมืองอุทยธานีเมืองอุทยธานีก็ต้องกล่าวว่าเป็นเมืองที่มีอาถรรพ์ พว่ามียาถันเป็นพิเศษอาถันประเภทนี้ความจริงมีทุกเมืองแต่ว่าเมืองอุทัยนี่เป็นเมืองที่อาถันพิเศษกว่าเมืองอื่นทั้งหมดคือว่าคนเมืองอทายเป็นคนสันโดษส่วนใหญ่แล้วไม่มองเหตุผลของคนเป็นสําคัญ ถือว่าพวกใครพวกมันถ้าเป็นพวกฉันแล้วดีหรือไม่ดีฉันต้องถือว่าเป็นพวกของฉันเพราะนั้นว่าอะไรทุกอย่างก็ตามที่จะทำถ้าเป็นพวกกันแล้วก็ช่วยอันนี้เขาก็ดีม่กัน <c oughs> ถือว่าเป็นการรักพวกรักพ้องเจนั้นอาตมามาอยู่จังหวัดอุทยธานี ถึงแม้ว่าจะสร้างสาวรวบัตถุในจังหวัดอุทัยธ า, ยา น, นีนับไปยังเงหน่วยเงินเลยก็ร้อยร้อยล้านบาทแล้วก็เป็นกุปเป็นจุดจุดหนึ่งที่สร้างให้คนรู้จักเมืองอุทัยธ า, ยา น, นีดันั้นก็ยังต้องถือว่ายังเป็นคนที่ไม่มีญาติในจังหวัดอุทัยธ า, ยา น, นีอยู่นั่นเองก็มีหลายท่านเดียวบางตาเต็มทีที่ว่าเขามารู้จัก แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนต่างจังหวัดมามาถามในจังหวัดอุทัยธา น, นีจะหาคนรู้จักยากเพราะจตมาญาติธานีก็เพราะว่าทาั้งทที่วัดเนี่ยอยู่ไกลาจากจังหวัดอุทัยธา น, นีเพียหกกิโลคนจากสายใต้สุดเช่นยะลานราธิวาสเข้ามาถึงเขารู้จักสะเนือสุดจังหวัดเชีงรายเขารู้จัก ไทสารสุดขอบริมแม่น้ำโขงเขารู้จักภาคตะวันออกตราดจันทบุรีมาเป็นปกติที่ว่ารู้จักนี้เข้ามาเป็นปกติตะวันตกกาญจนบุรีนั่นนองเข้ามากันเป็นคนปกติเรียว่าโฟเก็ตแต่ได้ว่าคนเจ อ, อนนร์ดูไทยธานีก็จะอาจจะมาน้อยเต็มที ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตระมาไม่ใช่คนเกิดในจังหวัดอุทยธ า, ยานีนั้นชาติจังอุทัยธานีเป็นคนรักพี่รักน้องทั้นี้คนที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องมาก่อนชาตจังหวัดอุยทยธานีจึงไม่สนใจและต่อห น, นี้ไปก็มีเรื่องอีกจุดหนึ่งเมื่อพบท่านลุงแล้วท่านแม่ก็ถามทังความฝันท่านลุงท่านไม่ใช่นักหลับตา คือนักเจริญพระกรรมาฐานที่ไม่คุยกับใครเราว่าท่านชอบคุยน้อยถ้าเวลาคุยธรรมะธรโมดท่านก็คุยสนุกสนานถ้าไปคุยเรื่องงานที่ไม่เป็นงานเบงการท่านก็ยิ้มยิ้มไม่เคยคุยกับใครเมื่อไรท่านฟังเสร็จท่านก็บอกว่าเอออินูน้องจะต้องมีลูกอีกคนอีกแล้วนะ แต่ว่าลูกคนนี้นมาจากพรหมภาพที่เอ็นเห็นน่ะเห็ที่เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปลอยมาความจริงลักษณะของพรหมเนี่ยเนื้อเป็นแก้วแล้วก็มีเครื่องแต่งตัวเป็นทองเครื่องแต่งตัวของเทวดาหรือพรหมก็ดีจะมีเป็นรศมิคือนคล้ายๆกับแสงออกมาคลุมเนื้อเห็นเป็นทองคําไปหมด ที่ว่าแก้วประดับทั้งตัวก็คือเครื่องประดับของพรมเมื่อท่านพูดให้ฟังแล้วก็ท่านก็บอกต่อไป <c oughs> ว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันจะมีนิสัยไม่ตาไม่เหมือนกับลูกคนอื่นและก็จะมีนิสัยไม่เหมือนคนในบ้านทั้งหมดถ้าจะมองกันไปตามในแง่ของชาวบ้านธรรมดา จะดูลีลาเหมือนกับคนจองหองไม่ง้อคนแต่ว่าเด็กคนนี้จะมีความเคารพในเหตุในผลและก็จะมีแนวความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับใครชอบคนคว้าทุกสิ่งทุกอย่างมั่จะเชื่อมั่นในตนเองในความสามารถของตนเองนี่เป็นคำพยากรณ์ของท่าน แล้วท่านก็นบอกว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นหน่อยรักนะเป็นบุคคลชอบรับอาสาทาจเทียบกับเรื่องรามาเกียรติ์ท่านก็นบอกว่าเหมือนกับพ า, านุมานการรับอาสาเนื่องผลงานที่ได้ไม่ก็จะมีนั่นคือต้องการทำงานตรงไปตรงมาแล้วให้มก็ัน <c oughs> ก็ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ เดองการค่าจ้างรางวัลหวังน้อยไม่ค่อยต้องการนักแต่ว่าถ้ารับราชการก็จะได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่ว่าต้องเป็นฝ่ายทาหารเพราะว่ามีนิสัยชอบบูคำว่าบูเนี่ยชอบรบทุกสิ่งทุกอย่างชอบในการเสี่ยงภัย แต่ว่าถ้าบทในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นพระที่มีคนรู้จักมากท่านก็เลยบอกว่ารู้จักมากกว่าหลวงพี่นี่อีกเพราะเขาเป็นคนแนวกั่งหลวงพี่แล้ท่านแม่ก็เลยบอกว่าถามพี่นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลวงพี่ท่านเด็กหลวงพี่หลวงพี่มีความเห็นเป็นยังไงว่าเด็กคนนี้เนะี่ย ตอนที่เกิดมันแล้วคนจะเลี้ยงให้หนักไปนในแถบไหนและจะให้ทำไร่ทำนารับรายการนี้ทาการค้าขายตอนนี้ท่านลุงเงียบสักคนเดียวหนึ่งแต่ก็บอกว่าถ้านิสัยจริงๆเด็กคนนี้หนักวปในการค้าและก็ชอบรับอาสาแต่เรื่องรายการนี้ดูนั้นว่า จะรับรายการเมืกันจะอยู่ไม่นานเพราะว่าการรับรายการของเธออยู่นั้นไม่ได้เป็นคนตรงไปตรงมานริยะตอนต้นนี้รู้สึกว่าถ้ารับรายการก็ดีแต่ว่าพอไปปลายมือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในส่วนราชการขึ้นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่มากนัก ต่อไประยะปลายเมือของเือบ้านเมืองของเราจะเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> มื่อบ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงแล้วในตอนนั้นคนที่รับปริการศิลธรรมจะน้อยลงตอนนี้คนรับปริการศิลธรรมน้อยลงเนี่ยแหละเธอจะอยู่ในบริการไม่ได้ท <c oughs> ่ น, นี้เพราะใดเพราว่าจะมีนิสัยไม่ตรงกัน ถ้าไม่ดีแม้แต่พูดคำข้าบัญชาเธอก็ฆ่าได้แต่ว่าถ้าดีแล้วแม้จะเด็กกว่าก็ยอมยกยกก้มหัวให้ฉะนั้นอาการการรับราชการของเธอจึงเป็นไม่นานคงจะออกจากราชการและเมื่อออกจากราชการแล้วสิ่งที่มองที่มีความสำคัญก็คือการค้า แต่โดยชะตายแล้วเด็กคนนี้ค้าของดีมากของที่จาบ้านเขาขายไม่ได้มันเสียมันเนา่าแต่ว่าชะตายคงเธอก็สามารถขายได้หมดแร้ ว, ว่าท่านนั่งนิ่งไ ป, ป, รประเดียวเลี้ยงสักหนึ่งนาทีแล้วท่านก็ยิ้ม <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆปลายชีวิตคนนี้ต้องเป็นพระ และก็เป็นพระจะไปต่อไปนาดจะมีคนรู้จักมากและก็จะทำงานสาธารณประโยชน์ฉะนั้นถ้าการเลี้ยงการเลี้ยงถ้าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นออกมาแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตอนเด็กๆให้ระวังเหตุผลให้มากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าจะกล่าวจะตักจะเตือนต้องพูดดีๆ ท่าบอกว่าเทาว้ า, ากระตามนิสัยชาวบ้านเน่ก็เหมือนกับคนชอบยอแต่ก็จงอย่าไปยอในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าไปทำอย่างนั้นเข้าก็าจะมีปฏิกิริยาอีกนั่ <c oughs> นหมายความว่าถ้ารู้ว่ายอเกินพอดีก็จะเกิดการไม่ชอบใจถ้าลงไม่ชอบใจอะไรสักครั้งหนึ่ง ถ้อมีอะไรสะดุดใจอย่างข้างหนึ่งเด็กคนนี้เข็ดเข็ดง่าย <c oughs> จะเกิดไม่มีการไว้วางใจใครต่อใครกะมาอีกฉะนั้นการยอก็จงอย่ามีแต่เดี ว, ว่าคนใช่เหตุใช่ผลเมื่อดีก็ชมว่าดีถ้ามาชมว่าดีแล้วก็จงปรามมรดณนี้ดีฉันชมว่าดีนะ ถ้าถ้าเธอไม่ดีฉันจะเคียน <c oughs> ถ้าหากว่าทำผิดฉันจะลงโทษในวราิการหนึ่งเรื่องระเบียบถ้าวางระเบียบกับเธอแบบไหนแล้วก็เราต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นคนสู้คนในเมื่อระเบียบที่เธอต้องปฏิบัติแต่ผู้สั่งไม่ปฏิบัติ เรื่องนี้จะเป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงหรือผูบ้บังคับบัญชาเมื่อท่านแม่พูดจบท่านก็กนชี้มาที่หน้าท่านก็นบอกว่า <c oughs> ไอ้ดาวที่แม่เห็น <c oughs> เห็นจะเป็นขี้มลังวันที่บรนจุดดําๆเต็มตัวลูกนี่แหละในความจริงผิวที่เป็นทองนี่แม่ก็แปลกเหมือนกันมันลูกออกมาใหม่ๆ ผิวมันเหลืองไปหมดทั้งตัวแต่ว่าโตมาโตมานี่ไอ้ผิวเหลืองแม่คิดว่าคงจะเป็นทองแต่อยู่นานๆเขาทองมันทําใหได้เลอะกอับอกไปเสี้ยมหมดก็ไม่รู้เน้อแต่รักที่ติดอยู่ข้างในคือผิวดําถึงแม้ว่าผิวจะไม่ดําเป็นมึกแต่ได้ ว, ว่าก็รู้สึกว่าผิวดําผิวค่อนคลานดถ้าพูดแล้วท่านก็กัวเราะ แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าท่านลุงได้แนะนําว่าเด็กคนนี้มาจากพรมควรจะหาชื่อให้เหมาะสมท่านแม่ก็ได้ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเวลาออกมาเขายชื่อว่ายังไงท่านลุงท่าก็นั่งนึก่ประเดี๋ยวท่านนั่งเฉยๆทาไม่หลับตาท่านลืมตาแล้วก็เฉยๆ <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านใช้จิตท่าแม่บอกว่าท่านลุงเนี่ยใช้จิตได้เก่งมากเพราะว่าการที่จะามอะไรท่านทท่านสงสัยที่นิ่งนิดหนึ่งท่านบอกว่าขอคิดก่อนก็นานไม่เกินไม่เกินหนึ่งนาทีท่านก็ตอบทุกเรื่องและการตอบของท่านตรงตามความเป็นจริงหมด ท่านแม่บอกว่าท่านลุงได้ชาญสมาบัตดีมากก็เป็นพระคนหลวงพ่อปานที่หลวงพ่อปานรักมากจึงก็ไว้วางใจมากในเรื่องของจิต <c oughs> และก็สําหรับปฏิปทาของท่านเองหลวงพ่อปานก็ไว้วางใจมากหลวงพ่อปานท่านเป็นนักกอ่อสร้างนักสงเคราะห์เมื่อท่านไม่อยู่ท่านลุงที่เป็นพระก็เป็นแม่บ้าน ใช้เทียบกับงานก็เหมือนกับประหลัดกระทรวง <c oughs> ปลัดกระทรวงประหลัดจังหวัดประลัดอำเภอรักษาการแทนอยู่เสมอเป็นแม่บ้านต้องต้อ ง, ต, องต้องดูงานรอบๆเมื่อท่านนิ่งอยู่บ่เดียวท่านบอกเออเจ้าเด็กคนนี้มาจากกรม แต่ว่าการเกิดของเด็กนี้เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนี่เกิดมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ในระยะแรกๆที่เขามาเกิดรู้สึกว่าจะเป็นนักรบแล้วก็เป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กการจะมาเกิดคราวนั้นก็มาจากผมเหมือนกันแล้วเจ้าเด็กคนนี้ก็เวียนไปเวียนมาระหว่างคนกับผมนี่หลายชาติเต็มทีหลายวาระ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประเทศในช่วงต้นที่เขามาในรูปร่างหน้าตาสะสวยมากก็รู้สึกว่าเขาจะชอบรบคือชอบรบมาตั้งแต่เป็นเด็กลนเวลานั่งขาชื่อผมแล้วต่อมาเ็าเชื่ออะไรบ้างลุงพี่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะจำ อยากจะให้น้องให้ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันนะเอาชื่อเก่าของเขาเข้ามาในลักษณะเดิมเดิมลงมาแล้วค่อยชื่อว่าพรหมถ้ามีชื่อว่าพรหมคราวนี้ก็ชื่อว่าพรหมก็แล้วกันบันดาล ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านในตอนเด็กๆเกนี่ยแต่มาเขาเรียกกันว่าในพรหมและเด็กชายพรหม แปล ว, ว่าชื่อทั้งที่ต้องมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนที่หลังเองเจ้าหน้าที่สมโนโครัวเข้าไปสำรวจครั้งหนึ่งเขาไปเห็นเข้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าธรรมา ก, ก็ยังเป็นเด็กแต่โตแล้วอันนี้เป็นห้าหกปีเป็นลักษณะเด็กที่แตกกับเด็กอื่นเขาว่าอย่างนั้นธรรมา ก, ก็ไม่ทราบ ที่ต่างกว่าก็เพราว่าสมัยนั้นบรรดาข้าราชการไม่คุ้นเคยกับประชาชนนักคนเห็นข้าราชการเป็นนายเน้อเด็กต่างๆไม่ข้าราชการมาก็แต่งตัวสวยๆนุ่งผ้าม่วงใส่รองเท้าสีดำนุ่งผ้าม่วงสีกรรมธาตุาใส่ถุงเท้าขาวใส่เสื้อนอกเคือเสื้อราชบัตรแนท่าทางเขสง่าผ่าเผย เด็กๆ ก, ก็คงจะไม่ชอบแต่ว่าจะมานี่พอเห็นพวกนั้นเข้าทำอะไรก็มกักจะวิ่งเข้าไปช่วยไอ้ความจริงไม่ได้ช่วยงานเขาไปช่วยทำลายงานเขาไปหยิบนนซ น, นี่ไม่เปลียใจใครแต่เขาบอกว่าหนูอันนี้หยิบไม่ได้นะน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำแบบนี้กว่างนั่งดูเฉยๆถ้าก็มีอะไรทำแล้วก็อันนี้หยิบได้ก็หยิบ นั่งชวนเขาคุยตลอดเวลาเขาจึงถามท่านแม่ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรแม่บอกว่าชื่อพรมก็บอกว่าชื่อพรมก็ดีนะครับแต่ว่าผมว่าชื่อพรมดีพรมแปลว่าประเสริฐแต่ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกล้านะครับคุณน่าดูสิผมมาทํางานที่นี่ไม่มีเด็กอะไรเข้ามาใกล้เลย แต่ว่าเด็กคนนี้เข้ามาคุยแบบเพื่อนทุกอย่างแล้วก็รู้สึกชอบใจแกที่บอกว่าอะไรที่ไม่ควรยังท่หยิบไม่ได้ลเลยก็ไม่หยิบนั่งเฉยๆถ้าหยิบได้แล้วก็เป็นหยิบกัละแต่คุยคนนั้นคุยคนนี้รู้สึกรู้จักประจกพูดดีผมว่าอยง น, นี้ดีกว่าครับชื่อตามใจของใจดีกว่าตามลักษณะจะเป็นคนกล้า ถ้า แ, แม่ก็บอกว่าตามใจว่าเอ า, อานี้ดีกว่าขอชื่อวีระไปกล้าหานถ้า แ, แม่ก็บอกว่าตามใจเขาจึงลงในบัญชีสมนโนโกรว่าวีระนี่เด็กชายวีระนี่เป็นว่าเด็กชายพรมก็กลายเป็นเด็กชายวีระเด็กชายที่กล้าหานต่อมาก็เป็นนายวีระต่อมาก็เป็นพระวีระ ประเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลวงพ่อวีระหลวงพ่อหลวงตาวีระหลวงปู่วีระเรือครอสีลิ่งดำเป็นอนุว่าก็คือบคุคคลคนเดียวกันนั่นเองอาการที่เอาตอนนี้มาพูดแล้วข้อภัยโยมลืมไปนิดหนึ่งท่านแม่บอกว่าเวลาที่แพ้ท้องชอบกินดินเผาดินที่เผาสุกมนแล้วนี่กินอร่อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องแปลกกวันดาเด็กเกทั้งหมดซึ่งตรงกับคำนิยมในสมัยนั้นก็บอกว่าคนที่มาจากกรมไม่จะต้องนิยมกินดินเผาเรื่องนี้จะเป็นข้อที่จริงประการใดคนดีเห็นว่าเป็นการโอร้โอวดขอข อ, ขอภัยด้วยเล่าให้ฟังตามที่ท่านผู้ใหญ่ต้องการจะทราบสําหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าหักว่ายังไม่เบื่อรับฟังในวันใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ล, ลจงมีเรวดา ญ, ญาโยมที่รักทุกท่านสวัสดี